มาฟังเคสทั ด, ดีลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันลูกพระราชพันแท้แต่ติดตามรายการฝันในฝันตลอดขาดไม่ได้เลยเจ้าค่ะพราะลูกได้รู้เรื่อ ง, องราวโทษของเหล้าและบุหรี่ทั้งในปัจจุบันและโดยเฉพาะในมหานรกทำให้ลูกนึกถึงและเป็นห่วงผู้มีพระคุณของลูกคือคุณแม่คุณแม่หลังจากแต่งงานก็ได้เริ่มทาธุรกิจ ว่าข้าสงฆ์คงก็เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุสามปีเรื่อยมาคุณแม่นะคุณแม่และดื่มเหล้าบ้างยังไม่เป็นประ จ, จําแต่หลังจากอายุประมาณ50ปีก็ติดทั้งเหล้าและบุหรี่โดยดื่มและสูบทุกวัน<อ>เห็นไหมไอ้ที่ว่าดื่ ม, มแต่พอดีตามที่เขาว่านะ่ะเป็นไปได้ไหมไม่ได้สูบแต่พอดีไม่ได้มันไม่มีนะ่ะทั้งสูบทั้งดื่มแต่พอดีเนะี่ยที่ว่าให้บัญญัติบัญญัตนะิ มันลุยดื่มลุยสูบกันเลยเนี่ยคุณแม่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องการเข้าวัดฟังธรรมเท่าไหร่แล้วมักจะบอกลูกๆเสมอว่าพ่อแม่คือที่สุดของพระไม่ต้องไปทุ่มเทอะไรกับวัดมากก็เป็นความเข้าใจของท่านซึ่งยังไม่ได้ศึกษาเรื่องกฎทางกรรมแล้วก็มีความเข้าใจอย่างนี้เยอะนะเยอะทีเดียวแหละแต่พื้นฐานคุณแม่เป็นคนมีความเมตตารักพี่น้องมากให้ความเชื่อหรือหมู่ญติตลอดมา ส่วนโรค ก, กัพยานยาเป็นกระยิมิตรกับคุณแม่มาโดยตลอดต้นปีสี่ห้าคุณแม่ก็เริ่มป่วยคุณหมอตรวจเช็กร่างกายพบว่าเป็นมะเร็งที่ลำไส้ได้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นช่วงๆและลูกก็นิมนต์พ ร, ะ, ระมาเทศสองสามครั้งคุณแม่ได้ถวายผ้ากรถินและปัจจัยเพื่อร่วมบุญกระินปีสี่ห้าโดยเจ้าค่ะและอีกไม่นานก็เสียชีวิตต้องอย่าฟุงลืมฟังเลยจ้าเพราะเดี๋ยวเรื่องราเนี่ยมันจะไปต่อตรงนั้น ในวันที่2พฤศจายน 4-5 ก่อนวันงานบุญใหญ่กรถินเพียงหนึ่งวันคือสิ้นก่อนวันกรถินหนึ่งวันก่อนคุณแม่จะสิน้นคุณแม่เจ็บปวดทรมานมากสะดุ้งสามเหือกแล้วก็ตาเลือกลองบอ ม, บอมตาเหลือกอตาเหลือกกระเลือกตาเนี่ยมันอะไรอย่างนะเลือกตามันยังดูงาาไม่ตาเลือกนี่ลูกจึงเข้าไปพูดเรื่องบุญ คุณแม่จึงค่อยๆปิดตาลงแล้วก็สิ้นลมไม่ทราบากาลีอย่ไปไหนต่อคะแล้ววันรุ่งขึ้นเป็นวันกะิมลูกก็บอกคุณแม่ให้ไปร่วมงานไม่ทราบคุณแม่ได้มาร่วมงานหรือเปล่าคะ่ะบุญที่ลูกสร้างพระธรรมกายคุณแม่ไในช่วงที่ทํานมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้บอกเพราะว่าในช่วงนั้นคุณแม่ยังไม่เข้าใจไทราบว่าบุญนี้จะถึงคุณแม่หรือเปล่าคะ่ะแล้วบุญที่ลูกทําทุกอย่างต่อเ น, นื่องหลังจากคุณแม่เสียโดยทําให้คุณแม่ ลูกสาวขอแม่จะได้รับบุญและอนุโมทนาบุญได้หรือเปล่าคะส่วนพี่ชายของลูกยังมีชีวิตอยู่เป็นคนเชื่อคนง่ายมีแต่คนมาชวนลงทุนตลอดหลายรายต่อเนื่องแต่ไม่ประสบผลสำเร็จในธุรกิจเลยทำอะไรก็ไม่ขึ้นทำไมเป็นเช่นนี้จะทำอย่างไรดีคะคุณยายของลูกมาจากเมืองจีนเป็นคนดีเรียบร้อยใจบุญชอบไหว้พระไหว้เจ้าชอบสอนว่าไม่ให้ว่าลูกหลานเดี๋ยวลูกหลานไม่เจริญ ท่านอยากสวดมนต์แต่ไม่ได้เรียนหนังสือจริงสวดมนต์ไม่ได้และเสียชีวิตแล้วไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนคะแต่รับบุญที่ลูกทำฤทิีให้หรือเปล่าลูกที่เทลล่าที่อยู่ที่บ้านซึ่งเป็นของคุณแม่คุณแม่จะได้รับบุญนี้ไหมค ะ, ะมาฟังกันเลยเคิสตดดี้คุณแม่ตายอายุ68ปีโีด้วยโรคมะเร็งในลำไส้นี่ฝันนี่ฝันนะับ รับฝันไปเป็นตุเป็นตะก็มาเล่าสู่กันฟังเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ฟังเป็นพลนกันแล้วกันคุณแม่เห็นกรรมนิมิตสั้งกินเล่าโซบุรีเป็นอาจินกรรมจนคตินิมิตเกือบจะมาฉายให้เห็นดามืด<อ>เกือบเกือบเกือบคือเห็นภาพแล้วนั่นมาเกือบเกือบจะมาฉายเห็นดามืดแล้วพาไปขมห้า ที่ว่าเกือบนั้นเพราะก่อนหน้านี้ลูกได้พยายามแนะนำตามหลักวิชาจึงทำให้แม่ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ทำตอนช่วงท้ายได้<อ>กายลอียดจึงหลุดออกมาจากกายหยาบที่ทรมานจึงมาวนเวียนอยู่กับครอบครัว<อ>และแวะไปหาคนที่คุ้นเคยในช่วงเจ็ดวันแรกลูก ก็พยายามทำบุญต่างๆอุทิศให้อย่างต่อเนื่องอ ก, ก็ปรากฏก่าแม่รับได้และตามลูกมาร่วมงานกระถินด้วยาาาาาตายวันหนึ่งก่อนกาครบเจวันในวันที่เจ็ดกายของแม่ก็สว่างและเห็นทางสว่างเรืองๆจนไปถึงวิมานตัวเองที่ชั้นจะาตุมหาราชิกาไปเป็นเทพธิดาคนทัน ชั้นกลางมีวิมานเป็นทองสุกไม่มากขนาดย่อมย่อมเหมาะสมกับอุปนิสัยของท่านที่ชอบสนุกชอบสังสรรค์รักสวยรักงามตอนเป็นมนุษย์นข้อบุญก็ไม่ได้เขียนมานะแต่บุญช่วงสุดท้ายที่ชิงช่วงให้ไปสู่สุคตินั้นนะทำให้แม่มีโอกาสเป็นสุขในสุคติแต่ไม่นานเท่ากับอายุชาวสวรรค์ชั้นนี้ตังฟังให้ดีนะลุกนะ ถ้าฟังอยู่ที่บ้านนะ่ถ้าหากแม่ประมาทมัวเพลิดเพลินสังสรนตามราษาคนทันก็มีสิทธิ์หล่นล่วงไปในมหารนรกคุมห้าดีย่าลืมนี้มันจริงช่วงกันนะบุญให้ผลก่อนแต่มันเป็นช่วงสั้นๆมนุษยน่ะเพอายุของสวรรค์ชั้นนี้นี่เท่าไหร่การล้านปีมนุษย์ แต่ว่าบุญนี้มันส่งท่านไปไม่ถึงตรงนั้นเลยนะ oh. แล้วเดี๋ยวฟังต่อดังนั้นแม่เทพิดาต้องภาวนานั่งสมาธิจเจริญภาวนา oh. และอนุโมทนาบุญจากลูกที่อุทิศไปให้อย่างต่อเนื่องจึงจะมีสิทธิ์อยู่ได้ยาวนานขึ้นนานขึ้นนะ oh. ซึ่งนานขนาดไหนก็แล้วแต่กำลังบุญของแม่เทพริดานั่นแหละก็แล้วแต่ ถ้าตอนนั้นเห็นองค์พระตอนเป็นคนทันอยู่ตอนนี้นะอ่ามีพาสวิร์ดแล้วอ่ามีรหัสผ่านก็อยู่กับตรงนี้แหละเพราะว่าอุปนิสัยอย่าลืมมาชอบสังสรรค์ชอบสังสรรค์ตรงนี้นะต้องฟังให้ดีนะพี่ชายนะ่ยเป็นคนมีนิสัยหยิบโยง ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดมาเลยเนี่ยถามมาแค่นั้นแล้วก็ฝันได้ฝันกันไปมีนิสัยหยิบโยนในปัจจุบนันไม่ทำอะไรจริงจังหรือศึกษาให้ทีท่วนซสียก่อน ก, อ ก, อก็อ็กํากำลังทานบา ร, รมีในอดีตก็หย่อนทำไม่มากและมีนิสัยโลเลเดี๋ยวฟังให้ดีๆอย่าฟุ้งลืมฟังในเวลาจะทำบุญเวลาใครมาชวนทาบุญเนี่ย ตอนแรกก็ทําท่าจะตั้งใจทํานะกัดถินคลายนิฟิตนะดูเลจะทํำอันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่าแต่พอจึงทําจริงๆก็ไม่ทํำแต่ว่าฟิตแต่แรกอ้ามาบอกก็ทิ้ละนี่อ้าวอเอาวออ้าวเฮ้ยทำไปเลยอะไรเงี้ยเอาเลยแต่พอถึงเวลาจะทําจริงอ่ะเดี๋ยวก็ยังไม่ทําจึงทําให้ที่ผ่านมาในปประสบความสําเร็จในชีวิต ท ำ, ทำธุรกิจอะไรทำท่าจะได้แต่ก็ไม่ได้สักทีไม่มีบุญที่จะสนับสนุ น, นเพราะฉะนั้นจะเรียนทางโลกอย่างไงย้อนกลับไปตอนแรกให้เก่งขนาดไหนทันโลกทันสมัยแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่มีบุญหนุนหลังนะไม่ประสบความสำเร็จแที่นีมาตรงนี้คือตั้งใจทำบุญแต่แรกเมื่อมีคนมาชวนแต่พอะจะทำจริงใหม่ ตั้งใจจะกินพอจะกินจริงๆไม่อิ่มไหมไม่ร่างกายจะเดินเติบโตไหมยม่เพรมันไม่กินนะ่ะใช่ไหมจะแก้ไขก็ต้องสร้างมาหาทานบารมีให้มากๆในปัจจุบันนี้อย่าเชื่อใครง่ายจะใครมาชวนทําธุรกิจอะไรต้องศึกษาให้ดีซะก่อนแล้วก็ต้องลุยทําเองแล้วทำจริงๆตงแต่งานเล็กๆ ไปก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายให้ใหญ่ขึ้นไปอย่าทำจากงานใหญ่มหาเล็กตั้งจากเล็กๆขึกก้นไปพอทำได้ไหมดูที่กำลังบา ร, รมีทนเรามีพอไหมสูตรงนี้ส่วนคุณยายเนี่ยตายอายุ88ปีเรียบร้อยใจบุญชอบไหว้พระไหว้เจา้าแต่สวดมนต์ไม่ได้ตายแล้วก็ไปเป็นอากาศสเทวา มีวิมานเป็นทองสุกใสปานกลางซึ่งน่าจะไปได้ดีกว่านี้หรืออย่างน้อยก็เท่ากับลูกสาวของตัวคือแม่แต่ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะหลานๆมั่นใจว่ายายเนี่ยต้องไปดีเพราะจิตใจท่านดีตอนเป็นมนุษย์จึงไม่ค่อยได้ห่วงท่านเท่าไหร่<อ>ก็แล้วแต่ท่านทานของท่ไปดีแล้วเราก็จําจำเป็นจะต้องไปนึกห่วงอลยท่าน แต่แม่น่ะไปนรกแน่เลยห่วงมากเลยพอเข้าใจมาตรงนี้เลยทําบุญลุยกันไปให้ใหญเลยเนี่ยแต่ว่าคุณแม่เนี่ยอายุไม่แน่บนนั้นแต่คุณยายอายุแน่นอนจะอยู่ได้นานต า, าอยายุไขของอากาศสเทวาเนี่ยส่วนคุณแม่นั้นน่ะลูกสาวห่วงกลัวว่าท่านไปไม่ดีก็เลยทําบุญติดไปให้ท่านใหญ่เลย แล้วก็ได้ทำบุญพิเศษไปให้ท่านด้วยคือตอนก่อนป่วยก็จะมาอะไรหละขอให้ช่วยท่า น, นแรื่างนา้นนี่ยิงขึ้นไปอยู่ชั้นจตูได้แต่ก็ต้องเสี่ยงว่าจะอยู่นานหรือไม่นานและแต่เจ้าตัวจะทำภาวนาหรืออนุโมทนาบุญที่ลูกอุทิ์ไปให้สม่ำเสมอหรือเปล่าถ้าลูกในเมืองมนุษย์พอฟังตรงนี้แล้วหมดห่วงไม่ทาบุญที่ไปให้ท่าน อากาเหลือแต่ท่านแล้วอย่าทภาวนาไหมเพราะท่านชอบสังสรรตอนเป็นมนุษย์แล้วคนท่านก็เป็นประพันสังสรรร้องรานําเพลงอะไรอย่างนั้นตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นของคุณยายอากาศเสวียรเพราะลูกหลานไม่จะห่วงก็เลยเพราะชัวร์เอเมนไหมแต่บางทีไอ้ชัวร์ในบางทีก็ใช่ไหมที่ลูกเทเล่าในบ้านจะเป็นของคุณแม่เนี่ย แม่ไม่ได้บุญอะไรเลยเพราะท่านก็นไม่รู้มันเป็นที่ลูกได้ทั้งหากแต่แม่น่นไม่ค่อยได้เราไม่รู้เรื่องรู้แรล้าเดี่ยวเป็นเค่สถิติสัๆสำหรับคืนนี้